พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองสีหนาถวัตรหมวดว่าด้วยการบรรลือสีหนาะฏจุลสีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาฏสูตรเล็กเรื่องสมณะสีจำพวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจโตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันสมณะที่สองคือพระสกทาคามีสมณะที่สามคือพระอนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นลัทธิของศาสดาอื่น ว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงเธอทั้งหลายจงบรรลือศีหนาฏโดยชอบอย่างนี้แหลบรรลือศีหนาฏในที่นี้หมายถึงการประกาศอย่างอาจหารของภิกษุผู้กล่าวว่าสมณะเหล่านี้มีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นชื่อว่าการบรรลือที่ประเสริฐคือการบรรลือศีหนาฏที่ไม่มีความเกรงกลัวไม่ติดขัด เพราะเจ้าลัทธิอื่นไม่สามารถคัดค้านได้เป็นไปได้ที่พวกอัญญะเดรธีปริภาชก ค, คือเจ้าลัทธิอื่นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอะไรเล่าเป็นความมั่นใจของพวกท่านพวกท่านพิจารณาเห็นอย่างไรในตนจึงกล่าวอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่ามีธรรมะสี่ประการ ที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นพระอาหารหันต์รัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบรัดไว้แล้วซึ่งเราทั้งหลายพิจารณาเห็นว่ามีในตนจึงกล่าวอย่างนั้นธรรมะสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งความเลื่อมใสในศาสดา 2. ความเลื่อมใสในธรรมะสาม ความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล 4. ทั้งเขา้ารหัสและบรรปะจิตผู้ประพฤติธร ร, ร่วมกันเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราทั้งหลายเป็นไปได้ที่พวกอัญญะเดรธีบริภาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเป็นศาสดาของพวกเราแม้พวกเราก็มีความเลื่อมใสในศาสดานั้นอะไรเป็นธรรมะของพวกเรา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 ระหว่างพวกท่านกับพวกเราเธอทั้งหลายพึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายจุดมุ่งหมายมีอย่างเดียวหรือมีหลายอย่างพวกอัญญาเดรธีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีหลายอย่าง จุดมุ่งหมายในที่นี้หมายถึงจุดหมายของความเลื่อมใสซึ่งแต่ละละทัทธิต่างก็มีจุดหมายที่แตกต่างกันไปและมีเพียงจุดมุ่งหมายเดียวเท่านั้นเช่นพวกพราหม์ก็มีพรหมโลกเป็นจุดมุ่งหมายพวกดาบทก็มีอภัสรพรมเป็นจุดมุ่งหมายแต่ในพุทธศาสนานี้มีจุดมุ่งหมายเดียวคืออรหัตผล เมื่อพวกอัญญดเดรธิปริพาชกตอบว่าจุดมุ่งหมายมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีหลายอย่างเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีราคะคือความกำหนัดหรือผู้ปราศจากราคะเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีโทสะความคิดประทุสร้ายหรือผู้ปราศจากโทสะเป็นจุดมุ่งหมายสาหรับผู้มีโมหะคือความหลง หรือผู้ปราศจากโมหะเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีตัณหาคือความทยานอยากหรือผู้ปรศาศจากตัณหาเป็ <No. นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีอุปาทานคือความยึดมั่นหรือผู้ปราศจากอุปาทานเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้รู้แจ้งหรือผู้ไม่รู้แจ้งเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ยินดียินร้ายหรือผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้าย เป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้พอใจผู้ยินดีในธรรมะอันเป็นเหตุให้เนื่นช้าหรือผู้พอใจผู้ยินดีในธรรมะอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นชา้าพวกอัญญาดิรัตีปริภาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากราคะสำหรับผู้ปราศจากโทสะ สำหรับผู้ปราศจากโมหะสำหรับผู้ปราศจากตัณหาปราศจากอุปาทานสำหรับผู้รู้แจ้งผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายสำหรับผู้พอใจยินดีในธรรมะอันเป็นเหตุให้เนื่นช้าภิกษุทั้งหลายทิฏฐิสองประการนี้คือหนึ่งภวะทิฏฐิหมายถึงสัสจะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยง สวิภาวะทิฏฐิหมายถึงอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งยึดติดเข้าถึงเกาะติดภวะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อวิภาวะทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งยึดติดเข้าถึง กับติดวิภาวะทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อภาวะทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและอุ บ, บายเครื่องสลัดทิฏฐิสองประการ น, นี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีราคะ มีโทสะมีโมหะมีตัณหามีอุปาทานเป็นผู้ไม่รู้แจ้งเป็นผู้ยินดียินร้ายพอใจในธรรมะอันเป็นเหตุให้เนื่นช้ายินดีในธรรมะอันเป็นเหตุให้เนื่นช้าเรากล่าวว่าพวกเขาไม่พ้นจากชาติคือความเกิดชราความแก่โมรณะความตายโสกะความเศร้าโศก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 ชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากตัณหาไม่มีอุปาทานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นผู้พอใจในธรรมะอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้ายินดีในธรรมะอันไม่เป็นเหตุให้เนื่นช้าเรากล่าวว่าพวกเขาพ้นจากชาติชรามรณะโสกบริเทวะ มนัตและอุปายาตผลจากทุกอุปาทานสภิกษุทั้งหลายอุปาทานสี่ประการนี้คือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิ 3. มศิลปตุปปาทานความยึดมั่นในศีลลวัต 4. อัตตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตามีสมณพราหม์พวกหนึ่งปติญญาลัทธิว่ารอบรู้อุ ป, ปาทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุ ป, ปาทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุ ป, ปาทานความยึดมั่นในกามไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐปาทานความยึดมั่นในทิฏฐ ไม่บัญญัติความรอบรู้สีละพตูปาทานความยึดมั่นในสีลวัฏไม่บัญญัติความรอบรู้อัตตวาทุกปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตาบัญญัติรอบรู้ในการมุปาทานในทิฏฐปาทานแต่ไม่บัญญัติความรอบรู้ในสีละพตูปาทานและในอตนัตตวาทุกปาทานบัญญัติรอบรู้ในสามข้อแรก แต่ไม่บัญญัติความรอบรู้ในข้อสุดท้ายคืออัตตวาทุกปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้อุ ป, ปาทานนั้นตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงความเลื่อมใสใดในศาสดาความเลื่อมใสใดในธรรมะความเป็นผู้ทาให้บริบูรณ์ใดในศีลทั้งหลาย ความเป็นที่รักเป็นที่พอใจใดในหมู่สหธรร ม, มิกข้อนั้นทั้งหมดเราไม่กล่าวว่าดำเนินไปชอบในธรรมวินัยเพราะเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่สัสดากล่าวไว้ผิดแล้วประกาศไว้ไม่ถูกต้องไม่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ประกาศไว้ สำหรับข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ชื่อเรียกเฉพาะในทางศาสนาพุทธเหมือนชื่อยศชื่อตำแหน่งแต่เป็นชื่อเรียกบุคคลใดก็ตามที่ตรัสรู้โดยชอบเป็นสัพพัญยูรู้ชัดในทุกสิ่งเข้าถึงความจริงในทุกสิ่งทั้งปวงภิกษุทั้งหลายปรบตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปติญญาวาทว่ารอบรู้อุ ป, ปาทานทุกอย่าง จึงบัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานหมายถึงทรงบัญญัติความรอบรู้การละการล่วงพ้นการมุปาทานด้วยอรหัตมัตบัญญัติความรอบรู้อุปาทานอีกสมข้อที่เหลือด้วยโสดา ป, ปัฏิมัตความเลื่อมใสใดในศาสดาความเลื่อมใสใดในธรรมะความเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ใดในศีลทั้งหลาย ความเป็นที่รักเป็นที่พอใจใดในหมู่สหธรรมิกเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ถูกต้องแล้วประกาศไว้ถูกต้องแล้วเป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วหลักปฏิต จ, จัสมุกบาทเริ่มต้นในอุ ป, ปาทานภิกษุทั้งหลาย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 ภัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุเกิดสังขารมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดพิกษุทั้งหลายเมื่อใดพิกษุละอวิชชาได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้น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 ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้รดตรัสพาสิบนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบจุลสีหนาทสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาสูตรเล็ก จากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง